หลักของพระพุทธเจ้า ก, ก็สติเนี่ยมีไหมแล้วก็มันดูอะไรอยู่เนี่ยคือเราเราเน้นเนนไอ้ความรู้ตัวทั่วพร้อมคือการปฏิบัตินี้ให้มันรู้ตัวเราไม่เน้นการหลับแล้วก็ต้องรู้จักแก้ไขด้วยถ้ามันง่วงก็รู้จักลืมตารู้จักนั่งขัดสมาธิ ในท่าทางที่มันทำให้ตื่นเนี่ยต้องหาอุบายแบบนั้นอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งด้วยในการแก้ไขตัวเองละนิวรสติรักษาจิตใจแล้วมันดูอะไรตั้สติปาัาสีดูกายเวทนา สายเวทนาจิตถ้าว่ามันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดดับอันนี้จึงเป็นวิปัสนาเป็นธรรมธรรมของเรามันหมายถึงว่าจิตมันเห็นความจริงจิตมันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ขณะเดียวกันมันก็จะเห็นมาจากเหตุจากปัจจัยนั่นแหละบางทีมันมีเรื่องเข้ามาปั๊บที่จิตเนี่ยนะไอ้จิตที่มันเคย ที่มันเคยเห็นอาการเนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ้มันมีเหตุกระทบกันคนนั้นเขาว่าอย่างนี้จิตของเรามันออกไปรับอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนี่คือเห็นเหตุปัจจัยของมันน่ะปับแล้วจิตของเรามันรู้สึกอย่างนี้นะแทนที่มันจะเป็นเรามันเป็นจิตไปแล้วมันเป็นอาการของจิตแล้วเหตุผลก็คือว่ามันกระทบกันมันมีอารมณ์มากระทบ แล้วจิตเนี่ยมันก็มีความรู้สึกขึ้นมามีเวทนาขึ้นมาอันนี้คือตามเหตุตามปัจจัยบางทีตามดูก่อนเนี่ยบางทีก็เข้าใจบางทีก็ตามดูได้ตามดูอารมณ์อันหนึง่งเกิดความรู้ความเข้าใจอันหนึง่งอย่างตามดูลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าออกเป็นยังไงรู้ รู้แล้วก็เข้าใจด้วยเห็นก่อนเห็นแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจว่าเออเนี่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตัวนี้เป็นตัวปัญญาตัวที่ตามดูเช่นตามดูลมตัวนี้ตามดูอารมณ์นี่แหละเขาเรียกว่าตัวสมาธิเป็นตัวสมถะเนียสมถานี้หมายว่ามันตามดูอารมณ์ แต่ถ้าหาว่าวิปัสนามันจะมาตามดูอาการที่มันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันอยู่ตามธรรมชาติของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เป็นลักษณะของวิปัสนาทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจิตของเรามันเป็นยังไงมันดูอะไรมันดูยังไง อันนี้เปรียบเทียบระหว่างสมถะกับวิปัสนาคือทำทั้งหมดเนี่ยมันก็มารวมลงตรงเนี้ยสมถาวิปัสนาสองอย่างของสมถาก็คือขั้นที่ทำให้จิตเนี่ยมันสงบจิตมีกําลังซะก่อนทีนี้มันก็จะแตกต่างตรงที่ว่าบางคนก็เอาวิปัสนานำหน้า คือเน้นดูความเปลี่ยนแปลงเลยเน้นความเกิดดับมันเลยเน้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยนำไปอย่างนั่งก็นั่งให้มันไม่กลัวเวทนามันมันก็ดูเลยดูขณะที่ดูมันก็มีสติมีสมาธิมีความเพียรมีศรัทธาอยู่ในตัวเองมันก็เป็นสมาธิด้วยไปด้วย ก็คอยสังเกตเวลามีเวทนามามันก็เห็นอาการของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็กเรียก ว, ว่าอันนี้เป็นชนิดวิปัสสนานำนำสมถะมีปัญญาไปเรื่อยพราอก็มีความสงบลงไปถ้ามันวางเมื่อไหร่ก็สงบขึ้นมก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันอีกอันหนึ่ง เป็นนิสัยของคนเราต้องให้ได้สมาธิก่อนตามดูอารมณ์ลงไว้พุโทโธพุโทโธพุโทโธมันวางพุโทโธแล้วก็นแน่วพักอยู่ก่อนถ้าออกมาแล้วหลุดเลยต้องให้มันแน่วอยู่ข้างในซะก่อนจนมันมีกำลังพอก็เริ่มมาเจริญสติสัมปชัญญะดูขันห้า อีกันหนึ่งดูขันห้าไปเลยดูเห็นว่าไม่ใช่ของเราก็วางลงไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ อ, อีกันหนึ่งต้องสงบจิตต้องลงไปพักซะก่อนมีกําลังแล้วมาดูมาดูทีหลังต่อมาก็จะมาหาอันเดียวกันคือต้องดูขันห้าแล้วจึงจะลงไปพักได้ เดีวมีสติสัมปชัญญะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นก็คือมาที่สติปัฏฐานสีนั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมมาเหมือนกันตรงนี้หรือมาดูขันธ์ห้าเหมือนกันชาวสมถานำหน้าเนี่ยมันมีความสงบมันมีสมาธิปเป็นพื้นฐานไอ้เวลามันมันจิตมันคนสงบเนี่ยมันมันกิเลสมันไม่รุนแรงไออารมณ์มันไม่ค่อยรุนแรง มันก็เลยปฏิบัติสบายถ้าประเภทที่กิเลสมันรุนแรงประเภทนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติลำบากโอ้โหมันกุ้มลุงทุกด้านทุกทางกระสับกระสายมีพระองค์หนึ่งเย็นๆมานี่ต้องเดินรอบวัดมันกระสอบกระสายมากคือกรรมมรคคาท่านรุนแรงท่านวะ ถ้าเห็นพระ อ, องค์นี้เดินจ้ำจ้ำจำแล้วก็รู้แล้วพม่ามันกำเริบแล้วแต่ท่านสู้นะบางทีเอาไม้เคาะหน้าแข้งตัวเองตัวงอเลยให้มันเจ็บมันเจ็บมันจะไดไไอ้ความรู้สึกมันจะได้คลายไปอสุพงกอสุภะเอาไม่อยู่อันนี้มันกุ้มลุ่มมากวิบากกรรมมันมาก ดพระโทสาโมหะมันมันมันรบกวนมากเขาว่าเรียกว่าปฏิบลลัติลาบากเวลาพวกนี้มามันเข้าสมาธิไม่ได้ปวนแต่ถ้าหาว่าประเภทวิปัสสนานอำนาแบบนี้มาไม่กลัวเลยนะเพ่งดูเลยเจ้าดูเลยถ้าฝึกพอรู้ทางแล้วเนี่ยดูเป็นปัญญาไปเลยดูอาการของมันได้เลยดูมันตืดดับ ดูว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูว่าเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นไม่ใช่จิตนี่มันพัฒนาไปเรื่อยๆบางคนก็ปฏิบัติมันมีความสงบมันเลยสบายกิเลสกุ้มลุมน้อยนี่เขาเขาเรียก ว, ว่าปฏิบัติสบายผลคนที่ปฏิบัติสบายเนี่ยส่วนใหญ่มี ม, มีเป็นมีสมาธิดี จิตใจมีความสงบก็เลยไม่ต้องไปสู้กับอารมณ์ของตัวเองมากนะักแต่อีกพวกหนึ่งเนีย่ยโอ้หมันรุนแรงต้องได้ต่อสู้อดทนเขาเรียกปฏิบัติลำบากปฏิบัติลำบากคือกิเลสมันกุ้มลุมมาก มันเล่นงานมากบางทีจักใจตัวเองยังไม่พอนะสิงแวดล้อมรอบข้างลุ่มกุ้มลุ่มก็มีแต่ก่อนนะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะก็บางทีก็กลับไปเยี่ยมหมูคณนะที่วัดดอยธรรมเจดีก็เคยอยู่ด้วยกันนะหมูก็มาหาแต่ก่อนนี้มันก็ยังรู้จักมาคุ้นกันเยอะ กตอนที่อยู่นั่นก็เราก็อยู่แบบพอช่วยหมู่คณะได้ก็กลับไปหมู่คณะก็มาเขามาเล่าอะไร่ อ, อะไรซูกันฟังส่วนใหญ่ก็เล่าเรื่องการปฏิบัติผมไม่รู้เป็นยังไงนั่งสมาธิไม่ได้เลยเหมือนมีอะไรบีบอะไรคั้นก้มดุมว่ะเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ ต้องลุกไปลุกออกไปเดินผ่อนคลายไปสบายไปบางทีเดินจงกรมก็เอา่ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วโดนเล่นงานทันทีแต่ถ้านั่งคุยกันทั้งคืนก็ได้ท่านว่าเอออันนี้ก็แปลเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินสักหน่อยหนึ่งเนี่ยปวดแข้งปวดขาเมื่อยไปหมดนะแต่เดินเที่ยวเดินคุยกันเนี่ยโอ้โหทั้งคืนก็ได้ บางคนก็จับหนังสือธรรมะมาหาวทันทีว่ะง่วงอยากจะนอนลูกเดียวอ่านไม่ได้เลยมันบีบมันคันก็ลองทดลองทันทดลองเลยนะหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านแล้วมันง่วงจับหนังสือพิมพ์มาโหตาสว่างแจ๋วเลยอ่านี่ก็มีฮะไอประเภทที่มันถูกรบกวนบางๆพวกนี้ปฏิบัติลาบาก ทุขาปฏิ ป, ปทาทิปปาพิญญาก็มีปฏิบัติลำบา ก, กรู้เร็วเร็วรู้ช้านี่เขาเร็วขึ้นอยู่กับอินทรีย์บางคนปฏิบัติลำบากแต่ว่าอินทรีย์มันแก่กล้าไม่กลัวศรัทธานี่เต็มร้อยตายเป็นตายเนี่ย พอศรามันเต็มที่วิริยะมีความแก้วกลาอานานเพราะวันสละตายแล้วนี่ไม่กลัวความเพียรเต็มที่เนี่ยสติกำลังมากนะเพราะฉะยิ่งมีอุปสรรคมากยิ่งสละเลยตายเป็นตายเลยสติควบคุมจิตอย่างเดียวเลย หมายมันเลยหลอดไปไหนคือหลักของพุทธเจ้าก็สอนแล้วไม่ให้หลงยินดียินไล้กับสิ่งใดจับหลักธรรมเพราะเขาศรัทธามันเต็มร้อยเชื่อพระพุทธเจ้าเต็มที่ไม่ให้อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงได้เลยเข้าไปหาจิตจิตไม่ยินดีไม่ยินไลยจ่อเข้าไปหาตัวไม่ยินดีไม่ยินไลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นจิตต้องไม่ยินดีไม่ยินไลยเท่านั้นถึงมองไม่เห็น ก็ตามแต่ว่าเจอเข้าไปว่าต้องไม่ยินดีไม่ยินไล่ไม่ยินดีไม่ยินไล่เจอเข้าไปตรงนั้นจิตมันวางเรื่องราวข้างนอกหมดเลยใจที่มันเข้มแข็ ง, ขงมันสัทธานี่เต็มที่แล้วกับความเพียรความแกวกล้าความอาหารความเด็ดเดี่ยวมันอยู่ในจิตพร้อมแล้วสติก็มีกำลัง ต่อเข้าไปไม่ยิตหลงยินดียินร้ายกับสิ่งใดเพราะมันเชื่อพระเจ้าสอนอย่างนี้มีความเพียรมีสติซ้ำไปชัญนะและความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้จ่อเข้าไปหาตัวไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีมันยังไม่เห็นกับท่องเอาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายปลาลบจิตอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันแวบขึ้นมาแค่ไม่ยินดีมีร้ายเท่านั้นยังอีกนิดหลุดไปหมดเลยในขณะแวบขึ้นมาในหมายว่ามันเข้าหาจิตแล้ว จิตมันมันแสดงแสดงอาการว่าไม่ยินดีไม่ยินไลนี่นี่คือปัญญามันมันมันมันเกิดขึ้นเนี่ยไอการที่มันเห็นว่าจิตไม่ยินดีไม่ยินไลเนี่ยคือจิตปล่อยวางเรื่องข้างนอกหมดแล้วเลินยุ่งกรมก่อนไม่ยินดีไม่ยินไยไม่ยินดีไม่ยินลาลจ่ออ ย, อยู่งั้นไม่เห็นช่างหัวมันแต่เข้าไปหาจิตสอนจิตว่าไม่ยินดีไม่ยินไลเอาบางคนทาอย่างนี้ก็ได้ผล เพราะมันก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าเขามีศรัทธาเต็มร้อยเลยมั่นใจว่าตรงทางแน่นอนรักษาจิตไม่ให้อยากอย่างเดียวถ้าอยากไม่ได้ถ้าความอยากเราเสียเลยเพราะมันมันวิ่งไปหาความอยากมันไม่มาจ่ออยู่ปัจจุบันอันนี้เขาจ่ออยู่อะไรมาก็ตามกุ้มลุมก็ตามไม่ไปสนใจตรงไอ้ไอ้สิ่งที่มันเข้ามา สนจะจิตตัวเองว่าต้องไม่ยินดี Resources. ไม่ยินร้ายเพราะจิตที่มันจะพ้นทุกข์ก็คือจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นจิตที่รู้เรื่องรู้ราวแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราก็คือว่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายพูดดีแงหนึ่งหรือถ้าจะพูดให้มันให้มันรู้สึกว่ามันเข้าไปถึงสภาวะก็คือว่าแล้วแต่จิตแล้วแต่จิตก็คือจิตที่มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมันมีกาลังมากๆ มันก็เลยเป็นจิตที่มันที่มันมีความรู้แจ้งขึ้นมาระดับหนึ่งว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราระดับหนึ่งแล้วมันก็เลยวางจิตได้อีกมิจารุลุธามมันต้องต้อ ง, ต, องต้องเข้าไปถึงว่าเออแล้วแต่จิตเป็นอุเบขาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ทุกขาปฏิปทาเนี่ยถ้าใจมันเข้มแข็ง มันมีความศรัทธาเต็มร้อยเชื่อในคำสอนของ牟ตเจ้าแล้วก็มีความเพียรคือความแก้วกล้าความอาถารความเด็ดเดี่ยวภายในจิตเนี่ยตายก็ตายไม่จิตเราต้องไม่ยินดีมีอะไรก็คือไม่หวั่นไหวก็คือไม่กลัวอะไรไม่หวั่นไหวกับอะไรจนจิตไม่ต้องไปเสียเวลากับไอ้เรื่องทางนอก เกิดได้ก็ดับได้เพราะจิตเราไม่ยินดีไม่ยินายมันก็อยู่ข้างนอกหมดอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันนี่ผลต่อจิตอะไรจะมาก็มาสิทีนี้ถ้าว่าทำได้มันก็ไม่มานะมันมามันก็อยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็ดับสลายไปดับไม่ดับจิตเราไม่ไปสนใจแล้วมันก็หมดความหมายไปพอมันเข้ามาหาจิตได้มันก็เห็นนี่ไอ้ยี่ที่อยู่ข้างนอกนั่นเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับ ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเกิดเองดับเองบางทีมันก็โอ้มันเป็นของมันเองเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติศักแต่ว่าเมื่อธรรมะมันเข้ามาหมดเลยแต่ถ้าว่ามันมันมันกำลังมันยังไม่พอเราก็ปักเข้าไปไม่ยินดีไม่ยินร้มันมาก็รู้มันรู้มันแล้วก็ จิตเราก็มาอยู่กับจิตบางทีก็ไปดูดูก็รู้มันดูเพราะถ้ามันแรงขึ้นอ่ะมันมันมันมันมีขบวนการบางทีก็มีเวทนาทางกายมันมีความรุนแรงมันดึงดูดจิตไปจิตมันก็ต้องไปดูอันไหนที่มันเด่นมันมันมีอิทธิพลต่อจิตจิตก็ไปดูมันก็เป็นธรรมชาติของจิตมันเร็วมันมีอะไยซึ่งมีผลต่อจิตมันก็ต้องไปดูสติเราก็ต้องให้ทันตัวรู้นี้ให้มันทัน ถ้าทานปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีช่องให้เรื่องราวเข้ามามันกั้นเอาไว้เลยสติเนี่ยกั้นจิตไปไหนเราตามไปตามไปอย่างเงี้ยอารมณ์เข้ามาไม่ได้ปัญหาไม่เกิดจิตก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่เนื่องจากอินทรียแก่กล้าจิตมันไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไร มันปล่อยวางได้รู้มันก็รู้เข้าใจคนวางได้มันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ประหารกิเลสได้มันรู้มรรครู้ผลได้ทังนี้ว่าบางทีเนี่ยปฏิบัติลาบากแต่มันรู้เร็วก็ได้บางทีปฏิบัติลาบากแต่อินทรีย์มันอ่อนน่ะอินทรีย์อ่อน ศรัทธาก็อ่อนเดียวก็คำสอนของพระพุทธเจ้านึกขึ้นมาได้ก็มีกำลังใจบางทีนึกไม่ออกหรือว่าอินทรีย์มันอ่อนศรัทธามันก็ไม่แรงกล้าจนขนาดที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นหลักในจิตใจได้ความเชื่อมั่น มูทวที่สอนให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองก็มันก็ไม่เชื่อให้เราเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยสงสัยเราเนี่กขีดเด่นมากบาปมากมันก็จะไปตำหนิตัวเองทำให้เสียเวลาถามว่าคนไหนมีอินซีมันมันแ ก, กล้ามันไม่กลัวตรงนี้ เ, เดี๋ยวเราจะเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราดีแล้ว มันมีเครื่องทดสอบเราจะได้พัฒนาจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมามันจะได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ปัญญาฝึกปล่อยวางไปในตัวเลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดด้วยมันมาให้เราปล่อยวางอยู่แล้วนี่คือไม่ยึดมันเป็นเราเป็นของเรานิสัยออน มันก็นี่ล่ละยั่มีอุปสรรคก็ที่เกียดไปบ้างท้อใจบ้างหมดกำลังใจสุดท้ายก็ไม่อยากทำประชดไปเลยเนี่ยแต่คนที่กล้าโอ้นี่มาทดสอบแล้วดีเราจะได้ พิสูจน์ตัวเองให้เต็มที่ว่าจิตของเรามันจะจริงจังแค่ไหนมันจะอ่อนแอหรือมันจะเข้มแข็งมันจะสู้หรือมันจะถอยกันแน่ถ้าแบบนี้อินทรีย์มันเกลีกล่ามันสู้มันไม่กลัวถ้าอินทรีย์อ่อนโอ้มาอีกแล้วสงสัยแย่แน่เลยอ่ะนี่ยจิตใจก็หมดกําลังท้อใจท้อถอย สรุปแล้วก็อยู่ที่ตัวเองให้บา ร, รมี on, อ่อนอินทรีย์อ่อนอินีก้าก็อยู่ที่จิตเราว่าเรานี่จริงจังแค่ไหนมีความพร้อมแค่ไหนที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบางคนเจ็บหน่อยปวดหน่อยไม่ไหวแล้วเนี่บางคนเจ็ บ, ห บ, จบโหดีมีเหมือนกับว่ามันท้าทายดี มันจะได้เห็นจิตเราว่ามันจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะมันก็เอาประโยชน์นะคือไม่รู้ละอะไรมาก็ตามแบถ้าอินทรีกล้าเนี่ยมันมันเอาประโยชน์ทางนั้นเลยอะไรพู่วับเข้ามาเออจิตมันได้ได้ปล่อยวางเราจะได้เห็นว่าจิตเรานี่มันปล่อยวางเป็นไหมหรือมันจะกลัวหรือมันจะกังวล เราก็ได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปจ้องอย่างเดียวจะเอาประโยชน์จากมันนีอินทรีย์มันกล้ามันไม่กลัวไม่หวั่นไหวเสียงกระซิบมาหงก็สักได้ ว, ว่าเสียงนี่นะ่ะจิตเราไม่ยินดีไม่ลิน้ามันจะทําอะไรได้เนี่ยมันจะคิดแบบชนิดที่ไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เลยไม่เดือดร้อนถ้าอินทรีย์อ่อนอะไรวุ่นวายออกมาโอ้โหแย่แล้วนี่อะไรอ่ะสงสัยอ่ะ นี่วิบากกรรมเราแน่ๆเลยมันมันมันมันมาบันทอนหมดกำลังใจไปก็มีเนี่ยแต่คนเค่งแข็งมันจะไม่คิดแบบอ่อนแอนะตายเป็นตายอย่างนี้เลยแต่อยากขออย่างเดียวว่าจิตเราต้องไม่หวั่นไหวนะปักเข้าไปหาธรรมแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดคือจิตมันมันมันอาฐรนของมัน แต่ไม่ใช่เคร่งเครียดมันเป็นเรื่องของจิตจิตไม่ยินดีไม่ยินไลพอมันไม่ยินดีไม่ยินไลอ่ะอะไรเกิดขึ้นมันก็เข้าใจอ่ะรู้เห็นเข้าใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรายังไงเหลือแต่จิตเนี่ยพอมันดูจิตไปมันก็เหมือนดูอันอื่นนั่นแหละจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งจิตก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะ มันก็วางจิตได้ด้วยพอวางจิตได้อะไรเกิดขึ้นเราแ ต, จต่จิตสิทีนี่อยากทุกข์ก็ยึดไปสิทำไมอยากทุกข์ก็วางเองสินี่คือวันวางจิตได้มันก็เลยไม่มีอะไรเป็นเราทีนี้มันไม่ต้องไปยึดอะไรถึงยังไม่พ้นทุกข์มันก็ถึงสภาวะบางทีมันมันอินทรีย์มันสมดุลขึ้นมาปฏิบัติลาบาก มีอุปสรรคกิเลสกล้มหลุมมากแต่ถ้าหากว่าจิตมันสู้นี่เรียกว่ามีอินทรีย์แข็งล้าถ้าจิตไม่สู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตัวเองอ่อนแอกังวลหวั่นไหวท้อใจหมดกำลังใจอย่างนี้อินทรีย์อ่อนมันต้องปรับปรับจิตให้เข้มแข็ง การปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีเครื่องทดสอบทดลองจิตเราก็ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแกร่มันก็สู้กิเลสไม่ได้มันก็สู้แรงกระทบจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเข้มแข็งก็ใจของเราเนี่ย เราจะพอใจให้มันอ่อนแอหรือจะพอใจให้มันเข้มแข็ ง, ขงเราจะเวออ่อนแอหวังให้มันกิเลสเห็นใจเราไอ้ไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาครอบงมจิตเราเนี่ยมันมันเห็นใจมันเป็นไปไม่ได้มีแต่มันจะกระ น, นํำมีแต่มันจะบีบคั้นเราพอาะ้เราต้องเข้มแ ข, ข็งเท่านั้นต้องอาหาร ต้องสู้ไม่มีถอยนี่ใจมันมีกำลังสิทีนี้ไอ้ส่วนที่มันปฏิบัติลําบากกี่เด็กกุ้มลุงอันนั้นมันก็เป็นปฏิบัทาของเราเป็นธรรมชาติของเราเองเพราะเราสร้างมาอย่างนี้เมื่อมันก็จะมีขึ้นมาโดยเป็นธรรมชาติทําไมบางคนปฏิบัติสบายบางคนปฏิบัติลําบากมันก็เป็นเหตุปัจจัยของคนแต่ละคน แต่สำคัญว่าเราปรับจิตเราได้ไหมให้มีความเข้มแข็งเพราะนั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญานีรู้เร็วฟินซีมันแข ก, กลาถ้าฟินซีมันมันไม่แข ก, กลามันอ่อนทุกขาปฏิปทาปฏิบัติก็ลำบากทันทาปิญญารู้ช้าคืดๆลงๆนี่ก็ท้อใจ ต่อแปรอแปรสุดท้ายก็ต้องเข้มแข็งปฏิบัติใจมันก็รอเวลาให้จิตเข้มแข็งไม่ต้องรอต้องให้มันเข้มแข็งไปเลยดีกว่าก็คือต้องสู้วิธีไหนจะทําทให้จิตเราเข้มแข็งต้องทําอันนี้ควรทําทําแบบแบบชนิดที่ว่าไม่ให้ให้ความอ่อนแอมาครอบงําได้มันอ่อนแอรเรื่องไหน เอาเรื่องนั้นน่ะลงมือทำเพื่อแก้จิตเราที่มันอน่อนแอนั้นแต่ละคนมีความอ่อนแอมันมันไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นอะไรก็ไม่ได้เข้าของเครื่องใช้เนี่ยพวกนี้แกเขาเรียกวตัณหาประเภทตัณหาจะเอาอยู่เรื่อยดิดน้นรน้าไม่ได้มา ก, ก่อ ใจมันก็ไปยินดีร้ายยินร้ยนายขึ้นมาคิดปรุงแต่งวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องตัณหาเรื่องความอยากเหล่านี้อยากโน่นอยาก น, น, ากนี่อยากได้อันนั้นอันนี้ปรุงแต่งไปนิ่งก็เสียเวลาไปกับการปรุงแต่งอันนั้นนีกก่เ็าเรียกว่าตัวตัณหาบางคนไม่สนใจหรอกคล้ายๆเคยพอมีมาหมดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยพอมดไม่มีภาระอะไร แต่มน้ามะตัวตนโอ้โหหาช่องหาทางอยู่เรื่อยอยากใหญ่อยากมีความสำคัญอยากเป็นหัวหน้าอยากดูดีอยากให้เขายกย่องสันเสริญให้เขาเชื่อฟังวดรู้วัวฉลาดเนี่ยพวกมนะมันออกไปข่มเขา ประเภหนึ่งก็มาหน้อีกแบบหนึง่งนึกแต่ว่าเราด้อยกว่าเขาเรียนก็ไม่สูงความสามารถก็ น, น้อยสติปัญญาน้อยคือจะคอยจะหาเรื่องอ่อนแออยู่เรื่อยนี่ก็มานะมันออกไปเปรียบเทียบแล้วคถ้าหาว่ามันมันมันรู้ว่าเออเราเราการศึษาเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราเรียนมาน้อยย่ายอมรับความจริงอย่างนี้มันไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นแบบมีปมด้อย เหมือนจุดอ่อนของตัวเองก็ไม่ถูกอีกเพราะคนที่เรียนมากแต่บางทีทําบางอย่างอย่างเราไม่ได้ยังมีคนหนึ่งเขาเขาทําไร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกเปรียบเทียบกับคนที่เขาเป็นข้าราชการเป็นคนมีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถอะไรอย่างนั้นไปยกย่องคนอื่น แล้วก็บอกเขามานําทำในสวนมันแข่งกันเนี่ยสู้เราได้ไหมบอกไม่ได้เอาเราก็ต้องเอาจุดแข็งเราบางสิไปสู้กันเขาก็พงวเราะเนื่องคือมันน้อมไปคิดไปในทางที่จะให้ตัวเองมีพรมได้แต่ถ้าเขาว่าเออเรายอมรับเ่าเนี่ยอาชีพของเราก็คืออาชีพนี้อาชีพเขาก็คือทํำวันานั้นเนี่ยสําคัญตรงที่ว่าใจมันมีธรรมหรือไม่มีธรรม ถ้าเขาคิดได้อย่างนี้มันก็สบายๆกางสาเราไม่สูงแต่จิตเราสูงพระพุทธเจ้าก็ยกย่องตรงนี้มันประเสริฐกว่าถ้ามันมีธรรมะขึ้นมาทุกมันน้อยลงไปจิตมีธรรมะในใจนะให้ความรู้ทางโลกบางคนก็มีความรู้ทางโลกสูงก็เป็นคนดีก็มีปฏิบัติธรรมได้ดีก็มี บคนความรู้ทั้งโลกสูงก็ยิ่งมีช่องทางเอาลัทเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบสังคมก็มีเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตรงนี้วัดกันตรงที่ว่าจิตของใครอ่ะมันมีธรรมะมีจิตใจเป็นกุศลมุ่งขัดเกลาจิตใจตัวเองละตัวละตนออกไปหรือทำมันละตัวตนได้ละ ความเห็นแก่ตัวไปได้มันก็สังคมมันก็อยู่ด้วยความสงบสุขได้อีกว่าเภทหนึ่งทิฏฐิลงว่าได้เห็นอะไรแล้วก็อยากให้คนเห็นด้วยเนี่ยคุณเออเอาตามพวกขนาดบางคนรู้ความเห็นตัวเองผิดไม่ยอมนะกลัวเสียหน้าอืมนี่ก็คือมานะตามมาด้วยมีทั้งมานะมีทั้งทิฏฐิพวกนี้ใจแคบ ถ้บใครไม่เห็นด้วยไม่ใช่พวกตัวเองใครเห็นด้วยก็เออเป็นพวกเราเนี่ไม่ชอบรับฟังใครใจไม่กว้าง้อใจมีธรรมใจมันไม่มีทิฏฐิพร้อมจะรับฟังพร้อมจะพิจารณาว่ามีประโยชน์ไหมหรือไม่มีประโยชน์มีเหตุผล หรือไม่มีเหตุผลมัางน้อยแค่ไหนควรไม่คนยังไงเนี่ยมันมันไม่ใช่ไปปฏิเสธหรือยอมรับแต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลพราะละหันเท่านั้นที่จะวางทิฏฐิได้นอกนั้นมันยังยึดทิฏฐิอยู่มันทีความคิดของคนถูกไม่อยากเอาก็มีแต่ถ้าว่าวางทิฏฐิได้ก็อันไหนมันเป็นธรรมนี่ของใครก็ได้มันเ ป, ป็นไปที่ธรรม มันเอาทำเลยเออความเห็นอันนี้มันเป็นธรรมดีมันมีประโยชน์ดีตกลงนี่ความเห็นตรงนี้มันไม่เป็นธรรมไม่ใช่ธรรมมันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องเอาก็ได้ทิ้งไปของตัวเองก็เหมือนกันบางทีเอาคิดว่าเออมันดีมันถูกต้องแต่พอมีคนทับทุวงรือว่าตัวเองพิจารณาดูอ้ามันมีอยอย่างอื่นดีกว่าเอา อ, อันอื่นนี่เขาเรียกว่าไม่ติด ไม่ยึดทิฏฐินี่ตัวตัณหาตัวมานะตัวทิฏฐินี่ถ้ามันมีกําลังมากๆ ม, มันกุ้มลุมมันเล่นงานแต่บางคนมันมันมันจิตใจมันมั น, ม, นมันสงบพวกนี้ไม่รุนแรงเขาเลยเรียกว่าปฏิบัติสบายกิเลสไม่ไม่กุ้มลุมมากแต่ส่วนปฏิบัติรู้เร็วรู้ช้า ก็อินซีอ่ะบางคนปฏิบัติสบายอินซีก็แก่กล้าด้วยเชื่อมันในธรรมของพระพทธเจ้าพระพุทธเจา้าสอนอยังไงเอาเข้ามาจิตมันลงให้หมดนี่ปล่อยหมดไม่เอาอะไรมุ่งเข้าไปหาธรรมอย่างเดียวเลยเขามีจริงๆรนะเป็นคารวะญาิโ ย, ยมก็มีเขามาปฏิบัติเขาเล่าให้ฟัง ตั้งแต่เด็กเขาว่าเขาบอกถูกพ่อถูกพ่อดุดาว่าคือมันก็มีเหตุปัจจัยอ่ะตอนหลังมามันก็มันคิดขึ้นมาได้เองว่าเอาพ่อทำยังไงก็แล้วแต่เขาเขาจะวางจิตให้เป็นอุบเบกขาให้วางเฉยเฉยนี่เขาบอกวางเฉยจงทั้งพ่อหยุดเองหยุดแล้วก็ไปดีกับพ่อถ้าพ่อหยุดเมื่อไหร่ก็ไปดี แต่ถ้าพ่อเริ่มอย่างนี้เขาก็วางจิตของเขาแต่ไม่โกรธพ่อเนี่ยถือมันมีนิสัยมานะคนที่เคยปฏิบัติมาต่อมาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าลงให้เลยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ยินดียินลายเขาไม่ยินดีไม่ยินลายพยายามเข้าหาตรงนั้นเลยไม่ได้เอาอะไรมากไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราวางไปเรื่อยวางไปเรื่อย บางทีจนกระทั่งไปเรื่องเพศพอไปถึงจุดหนึ่งเรารู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเฉยแต่แปลกสามีก็เริ่มเฉยไปมันเหมือนมันมีมันมีธรรมอันหนึ่งที่มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความสาคัญตรงนี้สุดท้ายก็เลยเปิดใจว่าจะอยู่ด้วยกันไหมตรงนี้ไม่เอาแล้วนะ่ขอเป็นว่าเอออยู่เป็นเพื่อนกันได้ไหม หรือจะให้เขาไปก็ได้ไม่เรียงดูก็ไม่เป็นไรเพราะเขาพอช่วยตัวเองได้เขามาลองให้ฟังแต่ว่ า, าก็ดูแต่จิตเขาก็เล่าอีกาจิตเป็นยังไงอย่าง น, น, างนี้อย่างนี้ก็เขามาลองให้ฟังปรึกษาหาลือบางทีี่จริงว่าไม่แน่คนที่อยู่กับบ้านกับเรือนเขาต้องโองตั้งใจปฏิบัติเขารู้เรื่องรู้ลอง ก็มีคนอยู่ในวัดบางทีเออมาอยู่วัดก็คิดว่าตัวเองอยู่วัดแล้วประมาทก็ได้ด้วยเด็กก็เอาอยู่มันขึ้นอยู่อินซียอินซียแก่กลา้าหรืออินทรียอ่อนียอยู่ในวัดแต่อินรียอ่อนก็ค่อยเป็นค่อยไปบางทีเจออุปสรรคท้อใจทอถอยหมดกําลังใจหมดเรี่ยวหมดแรง อินซีอ่อต่ินอ่อินซีแกสุดท้ายตรงเพียนมันมันอยู่เหนือความเพียนไม่ได้เราเพียนลโลทอนมันก็เข้มแข็งขึ้นมาได้อินซีอ่อนเดี๋ยวมันก็แข็งขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมามันก็ไปที่เดียวกัน่ะสุดท้ายมันต้องเข้มแข็งอีซีก็ต้องแก็กล้ามันถึงจะบรรลุธรรมได้ มันที่จะมีมักมีผลได้หรือว่ามีสติปัญญา ย, ยานแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆปฏิบัติลําบากอินทรีย์แก่กล้ามันรู้เร็วปฏิบัติลําบากอินทรีย์อ่อนมันรู้ช้าปฏิบัติสบายอินทรีย์แก่กล้ามันรู้เร็วปฏิบัติสบายอินทรีย์อ่อนก็มันรู้ช้าอันนี้มันเป็นปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ มันจะจัดอยู่ในสี่ประเภทนี้แต่จะเห็นว่าสี่ประเภทนี้ก็บรรลุด้วยกันคือสุดท้ายมันไปเพื่อการบรรลุธรรมไปสู่มรรคส่ผลไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ช้าหรือเร็วอยู่ที่กำลังของจิตถ้าจิตที่มั น, ม, นมีอินทรีย์เกล้ามันจะไม่ทอถอยบากบันมุ่งมันอดทนเข้มแข็ง จ็ปวดขึ้นมาก็ไม่กลัวเพราะมันเข้มแข็งจิตมันมันมันเหนือเหนือกว่าไอ้พวกเวทนาเนี้บางทีเวทนามามันชอบเลยโอ้ดีเครื่องทดสอบมาแล้วมันนมีอะไรท้าทายเหมือนมีเหมือนมีคู่ชกอย่างนักมวยเนี่ยเวลาเขาซ้อมเขาต้องมีคู่ซ้อมที่มันใกล้เคียงกันฝีมือใกล้เคียงกันมันจะซ้อมแล้วมันมันพัฒนาฝีมือได้ สอนสองคนอ่อนๆโอ้ยมันมันไม่เก่าน่หรือกีฬาก็เหมือนกันนักฟุตบอลทีมไหนแข็งแก็งก็ต้องไปหาทีมแข็งแข็งเพื่อซ้อมให้ฝีฝีเท้ามันมันพัฒนาขึ้นมานักมกวยก็ต้องซ้อมกับคู่ต่อสู้ที่มันใกล้เคียงกันผู้สอมมีฝีไม้ไลายมือมันนี่จะพัฒนาฝีมือตัวเองได้ ในจิต ท, ที่มันแข็งแก็่งก็แบบเนี้ยเวทนามานี่มาแล้วดีบางทีมันไม่มากันนั่งขัตสมาธิเพชรก็มีนั่งพื้นแข็งแข็งนั่งก้อนหินเนี่ยคือมันไม่กลัวช่องทางไหนที่มันจะมีได้ได้ได้ไดฝึกจิตใจยยถึงก็เอามันก็จะมีความเหมาะสมสําหรับคนคนนั้นบางคนจะมองว่า นี่ทำไมต้องไปทรมานตัวเองก็เขามันมีทุกขเวทนามาเขาได้สติปัญญาจิตเขามีกําลังมันพอดีสํำหรับเขาเป็นมัธยีมาปฏิปทาของเขาจิตของเขาปล่อยวางได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้ววางกายวางจิตได้วางเวทนาได้มันก็เป็นประโยชน์สําหรับเขาจะเอาตัวเองไปวัดไม่ได้ คนมันก็ไม่จาเป็นเข้ามาดูจิตมันก็เข้าใจไปไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่ของเราลมๆมันก็ไปข้างมันมันก็สักต่ว่าธาตุเราก็อยู่กับจิตนี้อย่างอื่นมันก็เหมือนไม่ใช่ของเราไปแล้วมันไม่มาเกี่ยวกับเราแล้วเนี่ยมันก็มาอยู่ที่จิตกายเป็นยังไงอก็เอาเรื่องของร่างกายจิตของเราเนี่ยมันยินดีดินร้ายไหม ผมก็เข้ามาจีดีเนี่ยอะไรเกิดขึ้นน่ากลัวขนาดไหนก็จิตมันไม่ยีนดีไม่ยินลายอ่ะมันจะไปน่ากลัวอะไรมันจะไปสําคัญอะไรพวกนั้นก็กลายเป็นของเกิดดับไปหรือว่ามันไม่เกิดไม่ดับก็แล้วแต่มันเนี่ยสักดิ่เดียวก็เหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมันไม่ผมมีผลต่อจิต มันก็ผ่านไปอันนี้ในหมายความในขณะที่เราอยู่ในสมาธิในการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเพื่อให้จิตมันรู้ความจริงให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นบางคนก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยสิอันนั้นมันคิดเอาถ้ามันวางได้มันจะรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไหนไม่มีประโยชน์ควรทำยังไงกับมันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันกับรู้ดีอาหารการกินกัรู้อาไ น, นมีประโยชน์อร่อยแล้วมีประโยชน์ก็เอาได้แต่ถ้าอร่อยแล้วไม่มีประโยชน์มันรู้จะทานไปทำไมมันมนมันรู้ถ้ามีประโยชน์ไม่อร่อยก็เอาได้เพราะมันเอาที่ประโยชน์แต่ถ้าอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยโอยิ่งดีสาดด้วยดีนี่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยร่างกายไม่ใช่ของเราเราทิ้งเลยไม่เอาใจใส่ไอ้แบบนั้นคิดเอาไม่ใช่ปัญญาญาณบางคนก็ว่าพ่อละหันทำไมอาหารก็ยังเลือกอยู่ยังเอานู่นเอานี่อยู่พ่อะหันตยิ่งมีปัญญารู้ความเหมาะสมรู้ความเหมาะควร ใจมันไม่ดิน้นรนไม่เป็นทุกข์มีมาให้เลือกก็ต้องเลือกมันก็เข้าใจแบบนี้มันไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นกิเลสมดสุดท้ายก็ต้องมาดูจิตตัวเองว่ามันทํำยังไงมันดูด้วยจิตยังไงจิตที่มันเข้าใจ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันจริงจังใ ห, ให้มันเด็ดเดี่ยวให้มันเข้มแข็งลองให้ดูตัวเองต่อไปนะเราจะสอนตัวเองอะไรก็อาศัยเวลาจิตเป็นสมาธิสอนตัวเองด้วยเนี่ยก็ตั้งใจอุทิศบุญวันนี้พอแค่นี้นะ ชาเล็สามมาสามพุทธาชากระเช้าลอยดงโดยพระองค์เอง